บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยะแห่งพระพุทธคุณบทต่อไปนั้นคือโล ก, กวิทูที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกการเจริญอนุสติข้อนี้ท่านแนะว่าให้เริ่มต้นด้วยคำว่า อิติปิโสภควาโลภิทูซึ่งแปลเต็มรูปว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกดังนี้อถาธิบายในพระพุทธคุณบทนี้มีเนยะที่ควรศึกษาหลายประการด้วยกันประการแรกคือคําว่าโลกในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นท่านวิเคราะห์ว่า สิ่งใดย่อมแตกสลายไปสิ่งนั้นเรีย ก, กว่าโลกดังนั้นความหมายของคำว่าโลกที่ทรงแสดงไว้ในพระพุทธศาสนาจึงมีนัยยะครอบคลุมสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยและจะต้องแตกดับไปในที่สุดซึ่งก็หมายถึงสัตว์ถึงบุคคลถึงสิ่งของที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดในแง่ของโลกนั้น ตามปกติแล้วคนจะมีความสยบติดมีความหลงมีความเพลิดเพลินอยู่ในโลกกันด้วยอำนาจแห่งกิเลสที่เกิดขึ้นรุ่มรุ่มใจพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งชักชวนคนทั้งหลายให้ดูโลกตามนิยะแห่งพระพุทธภาสิทธ์ซึ่งแปลเป็นใจความว่าสู้เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันสการดุจราชรสที่พวกคนข้าวข้องอยู่ แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่อันเป็นการแสดงถึงสภาวะของโลกในทัศนะของคนสองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มแรกคนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจถึงความจริงแห่งโลกก็จะมีความเพลิดเพลินมีความสยบติดมีความข้องผูกพันอยู่ในโลกแต่โลกเดียวกันนั่นเองถ้าหากว่าบุคคลได้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยทองแท้แล้วก็จะไม่คล่องไม่ติดอยู่ในโลกเหล่านั้นเพื่อจะกระตุ้นเตือนสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งคล่องซึ่งติดซึ่งเพลิดเพลิอนอยู่ในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้รับสั่งเตือนไว้ในธรรมบทว่าท่านทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันอยู่อีกเล่าในเมื่อโลกกระสันนิวาตนี้ลุกโพงอยู่เป็นนิด ท่านผู้ถูกความมืดปอดครอบงำเอาไว้ทำไมจึงไม่หาประทีพเป็นเครื่องส่องทางชีวิตเ่านัยยะแห่งพระพุทธภาสิทธิ์นี้ก็เป็นเช่นเดียวกับนัยยะก่อนคือเป็นการชี้ถึงสภาวะของชาวโลกทั่วไปที่ถูกไฟกิเลสคือราคะโทสะโมหะและไฟที่เกิดขึ้นเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายเป็นต้น ครอบงำ จ, จูจิตใจของบุคคลจึงมืดบอดด้วยอํานาจของโมหะคือความหลงอวิชชาคือความไม่รู้จึงต้องหลงเพลิดเพลินอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเข้าในทํานองของแมลงเม้าที่หลงเล่นกองไฟในที่สุดก็จะต้องตายไปในกองไฟพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้แจ้งโลกจึงได้ทรงตักเตือนให้บุคคลเหล่านั้น ได้สนักสำนึกถึงฐานะของตนในขณะนั้นว่าถูกไฟคือกิเลสและไฟทุกขแผดเผาอยู่ถูกความมืดบอดด้วยอำนาจของอวิชชาคุ้มหอเอาไว้ก็ควรที่จะสแสวงหาประทีปเป็นเครื่องสองทางดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถประกอบภารกิจของตนในคันรองแห่งธรรมนำความสุขให้บังเกิดขึ้นทั้งแก่ตน แก่ตนในปัจจุบันพบนี้และสัมปราคจะพบภายภาคหน้าจนถึงให้สามารถสัมผัสผลอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือการดับได้ทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงแห่งความทุกข์ที่คนเหล่านั้นเคยตกอยู่ในอำนาจของเขาคำโลกในความหมายของพระพุทธศาสนาที่ท่านแสดงเอาไว้ก็มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเป็นการแสดงถึงสภาวะ ตามธรรมชาติธรรมดาได้แก่โอกาสสโลกโลกคือแผ่นดินได้แก่ดวงดาวทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในสุริยะจักรวาล น, นั้นๆในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้เรื่องจักรวาลอย่างแจม่มแจ้งแต่ว่าเวลานามาแสดงนั้นเนื่องจากหลักการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ายึดอยู่ในหลักที่ว่า ทรงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นขีดความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมะของพระพุทธองค์จึงมุ่งอยู่ที่บุคคลแต่ละคนเป็นหลักสําคัญใครสามารถจะเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็จะแสดงธรรมะในระดับนั้นข้อนี้ท่านอุปมาเหมือนกับการป้อนอาหารให้แกดเด็กก็ขึ้นอยู่กับว่า วัยของเด็กขนาดไหนจะต้องใช้อาหารขนาดไหนเด็กจึงจะสามารถรับได้กลืนเข้าไปได้เคี้ยกินได้ถ้าหากว่าป้อนอาหารผิดวัยของเด็กหรือผิดขนาดปากของเด็กก็จะเป็นอันตรายแก่เด็กแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่เด็กการแสดงธรรมะ <c oughs> ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันธรรมะเหล่าใดที่สามารถอานวยประโยชน์ให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้ เมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะทรงแสดงในลักษณะนั้นข้อจะพิสูจน์ว่าธรรมะอํานวยประโยชน์ให้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเมื่อเขารับไปประพฤติปฏิบัติแล้วอํานวยประโยชน์สุขให้แก่เขาหรือไม่นั่นเองจุดที่พระพุทธมีรพระภาคเจ้าทรงเน้นมากเป็นพิเศษก็คือว่าพยายามสอนให้คนรู้ความทุกข์เหตุเกิดแห่งความทุกข์ความดับทุกข์ และข้อปฏิบัติให้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ซึ่งเรียกว่าอริยสัจสีนั่นเองแต่ในบางโอกาสเวลาทรงแสดงเกี่ยวกับโอกาสสโลกคือโลกคือดวงดาวทั้งหลายนั้นก็จะแสดงในรูปของปัญหาผูกพันที่เกิดขึ้นและผู้ฟังก็มีขีดความสามารถที่จะเข้าใจที่จะเรียนรู้ได้ตามปกติแล้วจะแสดงแก่คนระดับพระริยบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไป ในข้อนี้ได้ทรงชี้แจงออกไปโดยวิจิตพิสดารว่าสุริยะจักรวาล น, นั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะเพียงสุริยะจักรวาลเราเพียงสุริยะจักรวาลเดียวแต่มีอยู่เป็นแสนโกดจักรวาลหรืออนันตจักรวาลซึ่งก็หมายความว่านับกันไม่หวาดไม่ไหวและทรงแสดงระบบของสุริยะจักรวาลแต่ระบบว่าแต่ละระบบว่า บางสุริยะจั ก, กรวาลมีประาทิตย์เป็นศูนย์กลางหนึ่งดวงบ้างสองดวงบ้าง3ามดวงบ้าง4ี่ดวงบ้างห้าดวงบ้าง6ดวงบ้าง7ดวงบ้างแล้วก็ขยายจำนวนจั ก, กรดารากาที่เป็นบริวารของประาทิตย์ในแต่ละระบบเหล่านั้นเอาไว้เป็นจำนวนมากซึ่งสุดที่จะนับจะประมาณได้ละการเหล่านี้เป็นความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากประสพพันยุตธญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ทำไมไม่ส่งแสดงไ้ในที่ทั่วไปทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อแสดงไปแล้วไม่อำนวยประโยชน์อะไรให้แก่ผู้ที่เรียนรู้เพราะไม่เป็นทางที่จะทำให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์และเมื่อรู้ไปแล้วก็ไม่มีส่วนในการพัฒนาจิตใจแต่ประการใดจึงไม่ส่งแสดงแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้โอกาสสโลกที่คนกำลังสัมผัสอยู่นี้ ชีดประเด็นต่างๆให้คนเกิดความเข้าใจเช่นทรงแสดงในรูปของธาตุทั้งสี่บ้างธาตุทั้งหบ้างเพื่อต้องการให้บุคคลหาประโยชน์จากธาตุเหล่านั้นในแง่มุมต่างๆเช่นว่าอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มาประชุมกันเป็นโลกไม่ว่าเป็นขันธโลกหรือเป็นโอกาสสโล ก, กาตามในหลักการปฏิบัตินั้น บางคราวก็ส่งสอนในรูปให้ทําใจของตนเองให้เหมือนดินเหมือนน้ําเหมือนลมเหมือนไฟคืออย่ายินดียินร้ายกับอารมณ์ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นเพราะธรรมดาว่าแผ่นดินเป็นต้นนั้นไม่ว่าใครจะทิ้งของสโปรกหรือของสะอาดลงไปความยินดียินร้ายไม่มีแก่แผ่นดินเช่นใดบุคคลควรทําจิตใจของตนให้เป็นเช่นเดียวกับแผ่นดินเช่นั้น คือควบคุมความรู้สึกเอาไว้อย่าให้เกิดความยินดีในเมื่อประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่าให้เกิดความยินไรเมื Pens ่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาประสวลแห่งความยินดีในอารมณ์ที่น่าปรารถนานั้นเมื่อบุคคลเกิดเพลิดเพลินเกิดกำหนัดยินดีในพุ่งกามรมกุลทั้งหลาย mm hmm. ก็จะเพิ่มกิเลสสายโลภให้สูงขึ้นภายในจิตใจถ้าหา ก, กว่าเกิดความยินร้ายขึ้นมา ก็จะเพิ่มกิเลสสายโทสะให้สูงขึ้นภายในจิตแต่ว่าบางครั้งนั้นได้ทรงแสดงในรูปของศักแต่วทาธาตุคือให้คนพิจารณาดูกายตนและกายบุคคลอื่นตลอดถึงสังขารทั้งหลายให้เห็นแต่เพียงศักแต่วทาธาตุเพื่อจะยุติการสร้างเวรสร้างภายัยการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน และเพื่อจะให้เข้าใจถึงสภาวะอันแท้จริงของสังขารร่างกายแห่งตนและของบุคคลอื่นที่บุคคลมีความกำนัดมีความเพลิดเพลินมีความยินดีอยู่นั้นจะได้บรรเทาเบาบางความรู้สึกเหล่านั้นลงไปใช่บ้างและยิ่งไปกว่านั้นทรงใช้ในรูปของการพินิจพิจารณาในอารมณ์ของกรรมฐานคือเป็นแบบของการเจริญวิปัสสนา โดยสอนให้บุคคลเพ่งพินิษพิจารณาธาตุเหล่านั้นให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาตัวธาตุเองนั้นเมื่อแยกย่อยออกไปแล้วก็ออกเป็นรูปของอนูเป็นปรมาณูไม่มีความเป็นตัวเป็นตนแต่ประการใดทั้งสิน้นเพื่อจะบรรเทาความยึดถือด้วยอํานาจของอุ ป, ปาทานทั้งสี่ประการเพราะความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนนั้น อย่างที่ได้สวดการว่าสังคิเตนะปัญจุ ป, ปาทานะขันธาทุกขาเมื่อลราวโดยสรุปแล้วการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันธ์ทั้งห้านั้นเป็นความทุกข์ดังนี้ขันธ์ทั้งห้านั้นโดยสภาวะแล้วคืออะไรโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วก็คือธาตุเป็นรูปธาตุเป็นนามธาตุที่เกาะกลุ่มกันขึ้นมีการกาหนดหมายมีการยึดถือมีการผูกพันกันขึ้น อย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สอนให้บุคคลดูรูปในแง่ของฟองน้ําดูเวทนาในรูปของต่อมน้ําดูสัญญาในรูปของพยับแดดดูสังขารในรูปของกอกกล้วยดูวิญญาณในรูปของภาพมายาซึ่งโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วความเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นเป็นการเกาะกลุ่มของเหตุปัจจัยทั้งหลายเท่านั้นเอง ก, กม็มีการเกาะกลุ่มมีการรวมกันด้วยเหตุปัจจัยการสมมติปัญญาต่างๆก็บังเกิดขึ้นแต่เมื่อแยกจ่อยออกไปแล้วความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นรูปเปรนาสัญญาส่งางๆขันวิญญาณก็ไม่มีอีกต่อไปเป็นสักดิ์แต่วธาตุเท่านั้นในส่วนที่เป็นสัตว์ตโลกโลกคือหมู่สัตว์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงจำแนกแสดงโลกคือหมู่สัตว์ไว้โดยกำเนิดบ้างโดยรูปพันธุ์บ้างโดยการมบ้าง วิจิตพิสดานจันทรทรงแสดงโดยรูปของกำเนิดทรงเชี่อเห็นว่าบรรดาสัตว์ตาโลกทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นด้วยกำเนิดทั้งสี่ประการไม่กำเนิดใดก็กำเนิดหนึ่งคือเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสุกปรกและเกิดโดยผุดขึ้นที่เรียกว่าโอปปาติกะประเภทของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีส่วนที่แตกต่างกัน เช่นมีสังขารมีเวทนาเป็นต้นแตกต่างกันบ้างมีภพมีภูมิที่แตกต่างกันบ้างมีกรรมมีรูปร่างมีผิวพันธุ์มีสกุลมีสถานที่เกิดมีพื้นฐานทางสติปัญญาเป็นต้นแตกต่างกันทำไมสัตร์เหล่านั้นจึงแตกต่างกันในลักษณะเหล่านี้ข้อนี้ได้ทรงชี้ไปที่กรรมซึ่งเป็นตัวจำแนกเป็นตัวแบ่งแยกสัตว์ให้เลวและประณีตแตกต่างกันข้อนี้จะเห็นได้ว่า กรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว้นั้นมีส่วนในการปรุงแต่งฐานะของสัตว์เหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นบุคคลมีความแตกต่างกันในถิ่นที่เกิดในสกุลที่เกิดในพื้นฐานอัธยาศัยในระดับสติปัญญาในรูปร่างหน้าตาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรทรงเชื่อเห็นว่าเป็นอิทธิพลของกรรมที่สัตว์เหล่านั้นได้กระทาเอาไว้แตกต่างกัน คนบางคนเกิดมารูปร่างสวยเสียงไพเราะสวดทรงสันฐานดีผิวพรรณงดงามเป็นต้นก็ส่งชี้ไปที่บุญยนิธิคือคุ้มทรัพย์คือบุญที่บุคคลเหล่านั้นได้สร้างสมอบรมเอาไว้มีปริมาณสูงสิ่งเหล่านั้นก็มาตกแต่งผิวพรรณตกแต่งรูปร่างตกแต่งสวดทรงตกแต่งสีของบุคคลเหล่านั้นให้เป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่ถ้าหากว่าบุญกุศลมีปริมาณน้อย รูปทรงเป็นต้นก็จะเปลี่ยนปลายตามแรงของกุศลด่านั้นการเกิดในปฏิรูปประเทศที่เหมาะควรมีช่องมีโอกาสที่จะศึกษาที่จะพัฒนาชีวิตตัวในสูงขึ้นก็เป็นเรื่องของปุเพกะตะปุญญาตาคือบุญที่แต่ละคนได้กระทำไว้ในปางกอดไม่เหมือนกันอย่างที่มักจะพูดกันว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจ ถึงกฎเกณฑ์ของสังสารวัฏยอมรับความเวลี่ยนไหวตายเกิดในสังสารวัฏแล้วบุคคลสามารถที่จะเลือกเกิดด้วยตนเองได้ในภพในชาติที่ตนอุบัตินั่นเองด้วยการอาศัยหลักของสมาธิิคือปัญญาเห็นชอบประกอบประพฤติตนไปตามคันลองแห่งธรรมที่พระผู้มีพภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้และกุศลกรรมเหล่านี้เอง จะเป็นตัวกำหนดครบกำหนดภูมิกำหนดกำเนิดกำหนดสถานที่ระดับภูมิบัญญาของบุคคลผู้นั้นให้อยู่ในฐานะที่จะยกระดับจิตพัฒนาชีวิตของตนให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ลักษณะาการเวียนว่ายตายเกิดของบุคคลในสังสารวัฏนั้นถ้าหากว่าจะมองให้ซึ้งลงไปแล้วก็จะพบถึงความจริงประการเด็ดาคนที่สร้างสมบรมความดีมา ในพบในชาติต่างๆนั้นเมื่อถึงการคราวหนึ่งคนเหล่านั้นจะมาอุบัติพร้อมกันในถิ่นที่เรียกว่าเป็นปฏิรูปประเทศซึ่งมีพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นมีการเผยแพร่มีการแสดงธรรมตนเองก็อยู่ในสภาพที่จะศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาบังเกิดขึ้นในศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจนถึงสามารถประพฤติปฏิบัติ ให้สัมผัสผลด้วยใจของตนเป็นต้นข้อนี้พึ่งเห็นตัวอย่างในยุคของพระพุทธเจ้าเป็นยุคทองทางศาสนาซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเพียงประเทศอินเดียประเทศเดียวแต่ได้เกิดขึ้นในประเทศกรีกประเทศจีนประเทศไอคุปในลักษณะที่ใกล้เคียงกันยุคสมัยของบุคคลเหล่านั้นเป็นยุคที่คนมีความสนใจมีความใส่ใจในธรรมะสูงค่านิยมของคนกาหนดด้วยความมีธรรมะ ใครมีความดีมีธรรมะมากก็เป็นที่ยกย่องเชิดชูของบุคคลในยุคในสมัยนั้นและเนื่องจากคนเหล่านั้นได้สร้างสมบุมบา ร, รมีมาจนถึงพบระพุทธเจ้าเป็นต้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้เขาสามารถได้เข้าไปเฝ้าฟังธรรมเงียโสดตรงสะดับพิจารณาข้อความน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลตามสมควรแก่บา ร, รมีของตน และยุคสมัยในลักษณะนี้ถ้าย้อนต้นไปดูตามประวัติศาสตร์ที่ท่านจดจารึกไว้ก็จะมียุคสมัยของบุคคลที่จำแนกออกมาตามพื้นฐานบา ร, รมีอันแตกต่างกันข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ทรงรู้อย่างแจ่มแจ้งในสัตว์ตโลกดอก น, นั้นดังนั้นเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมแก่สัตว์ตโลกก่อนการแสดงธรรมจึงได้จาแนกแยกแยะคนออกไปเป็นสี่ประเภท ที่กำหนดด้วยดอกบัวสีเหลาคือบุคคลบางคนสามารถจะรู้ธรรมเข้าใจธรรมและรับผลแห่งธรรมะได้เพียงยกผัวข้อธรรมะขึ้นมาแสดงเท่านั้นข้อ น, นี้พึงดูตัวอย่างพระสารีบุตรเทระได้ฟังธรรมะที่พระสัจจิได้แสดงแก่ท่านเพียงสองบรรทัดเท่านั้นว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าจัดเทศแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้น พระมหาสมณะมีปกติสัตย์อย่างนี้ด้วยถ้อยคําสั้นๆเพียงเท่านี้เองภาษาริบุตรเทระก็สามารถพินิพิจารณาจนอย่างรู้ธรรมะออกไปวิจิตพิสดารมองเห็นสาตวสังขารทั้งหลายในโลกนี้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็าปล่อยวางความยึดความถือในสิ่งทั้งหลายแม้ในตัวของตัวเอง จนได้บรรลุเป็นพระยะบุคคลชั้นต้นและในที่สุดเมื่อฟังธรรมะเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งก็ได้บรรลุอรหัตในการฟังธรรมะครั้งที่สองของท่านครั้งที่สของท่านก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการฟังธรรมะแบบสั้นๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ไปที่เวทนาซึ่งปรากฏเกิดขึ้นแก่ชีวิตของสัตว์และคนทั้งหลายว่าเวทนาแต่ละอย่างนั้นได้เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกัน แต่วเวทนาใดให้ผลอยู่เวทนาอื่นก็ไม่อาจที่จะแทรกเข้าไปได้ในขณะใดมีสุขเวทนาในขณะนั้นก็ไม่มีทุกขเวทนาในขณะใดที่มีอุทุกขมสุขเวทนาในขณะนั้นก็ไม่มีสุขเวทนาเป็นต้นท่านพิจารณาตามกระแสพ ร, ระธรรมเทศนาไปโดยในยะนี้ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้คนอีกประเภทหนึ่งนั้นเรียกว่าวิปจิตัญญู คือจะต้องอาศัยการแนะนำขยายข้อความแห่งธรรมะออกไปและในที่สุดก็จะบรรลุมรรคผลได้ตามปะกะติแล้วคนประเภทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะแสดงธรรมะในรู ป, ป้องการฟอกอัธยาศัยคือไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆที่ท่านเรียกว่าพูลานุสาสนีคือเป็นธรรมะที่ทรงแสดงมากเป็นพิเศษคือเริ่มมาจากฐานการบริจาค แล้วต่ขึ้นไปเป็นศีลเป็นสวรรค์เป็นโทษของกรรมเป็นการออกจากกรรมเมื่อบุคคลสามารถปรับจิตขึ้นไปได้เห็นโทษเห็นคุณของธรรมะในชั้นนั้นได้ก็จะสรุปรวมลงที่อริยสัจสีและในที่สุดผลก็จะออกมาคือการบรรลุมรรคผลของท่านผู้ฟังสำหรับคนบางคนที่เรียกว่าเนยยะคือพอจะแนะนาพร่ำสอนกันไปได้บางคนอาจจะใช้เวลานาน ถึงเก้าปี10ปี20ปี30ปีและบางคนก็อาจจะข้ามพบข้ามชาติไปแต่ว่าในพบชาติที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ประพฤติธปฏิบัติธรรมะอยู่นั้นก็เป็นการสร้างสมอบรม์บา ร, รมีของตนเองให้สูงขึ้นเมื่อบา ร, รมีสูงขึ้นบา ร, รมีตัวนี้ก็จะไปเสริมสร้างพื้นฐานทางสติปัญญาพื้นฐานทางอินทรีย์พื้นฐานทางสมาธิ ทางสติทางปัญญาเป็นต้นให้สูงขึ้นโอกาสที่จะเรียนรู้ปฏิบัติธรรมะที่ประณีตขึ้นไปก็มีได้ง่ายสมบูรณ์ควรผู้นั้นเพราะฐานรองรับมีความแข็งแกร่งพอที่จะรับธรรมะอันประณีตที่สูงขึ้นไปคนบางพวกก็เป็นปะทะประมะที่เรียกว่ามีบทเป็นอย่างยิ่งืออาจจะเรียนรู้อาจจะเข้าใจแต่ว่าไม่อาจจะน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติได้ คือไม่อาจทวนกระแสกิเลสขึ้นไปได้แต่ยังไงก็ตามเมื่อบุคคลเหล่านั้นได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาแปลทึ้งแปลว่าผู้นั่งใกล้ประรัตนาใจก็อาจจะได้สัมผัสผลในชั้นที่เป็นทิฏฐธรรมคืออาจจะงดเว้นพวกอาบายยมุกได้รักษาศีลห้าบางข้อได้หรืออาจจะรักษาได้ทุกข้อเป็นต้นก็จะมวยผลให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แจ้งสัตว์โลกโดยท่องแท้พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่โลกจึงยักษย้ายไปตามอัธยาศัยของบุคคลเป็นประการสำคัญเพราะพื้นฐานอัธยาศัยนั้นดังที่กล่าวมาแล้วว่ามีส่วนที่แตกต่างกันได้เกิดคนบางคนในพบในชาติที่ตนได้อุบัตินั้นเพียรพยายามสร้างความดีไว้เป็นนันมาก แต่บางคนก็ปล่อยจิตปล่อยใจให้เลื่อนไหลไปตามกระแสของของอารมณ์ไม่พยายามที่จะทวนกระแสของกิเลสขึ้นมาคนเหล่านี้ก็เหมือนกับคนที่เกียรครนันไม่มีทรพัพย์สมบัติที่เป็นหลักฐานในการตั้งตนได้โอกาสที่จะยกระดับชีวิตของตนให้สูงขึ้นก็มีได้ยากพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอาศัยความเป็นผู้รู้แจ้งในสัตว์โลกทั้งหลายนั่นเอง แสดงธรรมเทศนาคล้อยตามอัธยาศัยของบุคคลเหล่านั้นการแสดงธรรมของพระองค์จึงเรียกว่ามีปาฏิหาริย์คืออํานวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นอย่างอัศจรรย์หลักการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าในข้อที่สองก็คือว่าทรงแสดงธรรมมีเขตที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้คนบางคนนั้น ไม่ได้หมายความว่าสติปัญญาทึบเกินไปหรือบารมีอ่อนเกินไปแต่การวางธรรมะการแสดงธรรมะไม่ตรงตามอัธยาศัยของเขาที่เรียกว่าไม่ได้สัปปายะคือธรรมะสัมปายะเขาไม่ได้ความสะดวกความเพลิดเพลินความทราบซึ้งในธรรมข้อนั้นก็กลายเป็นอุปสรรคที่เกิดเป็นภาวะจงกตงานในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้นั้นแต่เนื่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แจ้ง ในอัตยาสัยในอติมุตในอินทรีของสัตว์เหล่านั้นก็ทรงเลือกธรรมะที่ปรับเข้ากับจริตอัตยาสัยของเขาได้เวลาเขาฟังเข้าก็ได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติธรรมข้อนี้เพึงเห็นตัวอย่างพระจุลปันธะเทระเรียนคาถาเพียงสบาทเท่านั้นสี่เดือนแล้วยังท่องไม่จําจนพี่ชายต้องไล่ให้สืกไปเนื่องจากท่านเห็นว่า คงเป็นอาภัพภักดีคลในพระพุทธศาสนาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจสอบดูอัธยาศัยของท่านแล้วสามารถประทานอารหัตผลให้แก่ท่านด้วยระยะเวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้นเองคือจากเช้าถึงเพลิเท่านั้นในข้อนี้ก็ทรงอาศัยความรู้แจ้งแห่งอัธยาศัยของพระจุลบันทุ์ซึ่งได้ทา้งสมบรมบูรมีมาด้วยการพิจารณาผ้าเช็ดหน้าที่ตัวเอาไปเช็ดหน้าเมื่อสมัยหนึ่ง แล้วก็เห็นความปฏิกูลแห่งร่างกายพิจารณาเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายความไม่เที่ยงความแปรแปลุนเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็ได้อนิจจสัญญาขึ้นมาเป็นอุปนิสัยเป็นบา ร, รมีของท่านที่นอนสงบอยู่ภายในจิตใจเมื่อพระพุทธพระพากย์เจ้าทรงประทานผ้าให้พิจารณาท่านก็เห็นความปฏิกูลของร่างกายความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายโดยอาศัยบา ร, รมีในอดีตเข้ามาหนุนในที่สุดก็บรรลุ อรหัตเป็นพระหันที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งเป็นต้นดังนั้นความเป็นโลกะวิถูของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เองทำให้พระองค์สามารถละความยึดความติดในโลกทั้งมวลออกไปได้และอาศัยความบริสุทธิ์พระปัญญากรุณาที่มีอยู่ภายในคันธสันดาน สั่งสอนธรรมะประดิษฐานเป็นรูปของพระพุทธศาสนาเกื้อกูลแก่บุคคลทั้งหลายมาจนถึงปัจจุบันบัดนี้ดังนั้นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธคุณบทนี้ก็อาจจะบริกรรมด้วยนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วความสงบก็จะบังเกิดขึ้นน้อมปัญญาเข้าไปพินิจพิจาร่ายังรู้ถึงนัยยะของพระพุทธคุณก็เป็นการเพิ่มูนศรัทธาภาษาทะให้สูงขึ้น ถ้าหากว่าน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้ก็สามารถปล่อยวางความยึดความติดในโลกทั้งปวงลงไปทำให้เกิดความโปร่งเบาสบายขึ้นภายในจิตใจชื่อว่าได้สัมผัสคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจของตนอันเป็นผลที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายปรารถนาอยู่ทุกยุคทุกสมัยต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป